วันที่ส้ฉันจะ ง, งานแล้วฉันจะ ง, งานเซตก็บรรจุละ ว, วันที่สเก้มันเหวันที่สเจนะันลูกหลานนะในที่หลวงพ่อจับอยู่ในนี้ก็คือโยมลาดรานมั่นขวัญเมืองกับหมู่คณะรวบร่วมจิตปัจจัยเพื่อจะสร้างพระประท่านหินเนนสเปน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 ต้องสองพระทั้งพระพุทธรูปทั้งพระสาวกรนะวมเป็นเงินทั้งหมดสล้านปสหมบาทส8มล้านปดแสห้ามบาทพระพระประธานกับพระสาวกแต่วันนี้มีผูบริจาคมาแล้วล่ะร้านเกษตร น้ำโสมโลกเกษตรน้ำโสมแต่เพิ่นมีบริษัทหนึ่งแต่หลวงพ่อจำว่าไรแต่เพิ่นออกมาสามล้านแล้วก็มีมูออกมาหําแน่ก็เป็นอันวญญายยงขาดอยู่ประมาณแปดแสนกว่าๆแต่แปดแสนกว่านึ่งก็มีผูมาถวายออกมาเรื่อยๆอยู่เลยแต่ก็บบริเนักใจเรื่องพระประธานแล้วก็มีโยม ้านมั่นขวัญเมืองกับคณะเพิ่นนี่ยมีไลสื่อเงาเหยียดเลยเน่ยหงพออ่านบ่ได้หรอกถ้าอ่านเนี่ยก็จะปฏิสนธงกั น, งงนล้วมือนเนี่ยเงาโกดคนละหน่อยก็หาสิบบาทก็มีสองห่อยก็มีคนละพันก็มีแล้วก็คนละหมื่นก็มีคนละหมื่นมีอยู่สามคนมา่วมกันแล้วบาเนี้ยยอดชุติทางเม็ดเจ็ดสิบแปดคนเป็นเงิน 8ปดหมื่นพเจดรยปดสิบเจ็ดบาทห้าหมื่นแปดพเจ็ดอยแปดบเจดบาทานาทีนลูกหลานในญี่ปุ่นในหลายเนอะรสางพระประทานเห็นหมดทน่ายเพื่อเาานะบาเงินเบาเรื่องสางพระประทานนี่นิน่วพระประทานขาดฮักนิ่วพระประทานหัก ผู้ดใดเห็นโอ้นิวพระประธานหักออมีตากแก่คนหนึ่งออน่าจะเอาดินเหนียวมาแล้วก็มาปั่นแล้วก็เผาให้แหง้งจากนั้นก็มาติดดามเซ น, นิวนิวซี่พระประธานมันไปแล้วเอาสีท่ามันไปพอท่าแล้วก็คืบกันแล้วมันเอาไปเขากันได้แด่บพรเขาได้แด่นะว อ, อแต่ทำโดยความจัดท่า นี่แหละอันไอ้สงได้ทำนิวซีให้พระประท่านเกิดมาพบนาชาตินาเป็นเจ้าใหญ่หน้โตขึ้นมาหน่นซี่ไปได้ทูก น, อกน่องถอยเสือมัดตัวไปะ <c oughs> <c oughs> ซีให้ทำอยังทำไรมาแล้วไปนิวซีมีอำนาจมาแล้วไปพอได้สั่งได้สั่งนิวซีถวายพระประท่านนะ นายอมเพอ่ น, พนี่ยข่มพลวัตลงไปบริเวณในท่านหลวงพ่อแหละนี่หลวงพ่อเรเห็นในตำราแต่นายอมเพร่อบอกเลยนึกว่าคือคือวันไปเนี่ยนี่แหละ ข, าพาพขันธมรภเขาสาั่งพระทั้งองค์เนละเออสิ่งอันนี้สงสิขนาดใดวนันลไปสั่งพระประท่านเกิดพบนาชาตินาจะเป็นประมุกเป็นประท่านเขาตัวโว้ย ขั้นสางพระประท่านองเดียวบัณฑ์ข้นสางเป็นตั้งเจ็สิบพวกข้นเนี่จะเหตุจากไหนจะเป็นประท่านห่วยหยาดไปคนอยู่ขนละหมองแหม่อย่าไปหายอยู่หมองเดียวกันตัวเ อ, อในประเทศในโลกน้มันตัง้งมีตั้งเยอะแยะใช่ไหมละ่ะออตั้งร้อยกว่าประเทศคนนะที่เป็นประมุกแลก้วแต่ล ะ, ะแต่ละประเทศก็มีพวกเบื้องนู้นมีนายกสักคนหรือก็มีนอกรองนายกมีสำนักงานอีกต่างหาก เออแต่และกระช่วงถ้าบวงกลมมากไม้ขนาดไหนล้วนแล้วจะเป็นหัวหนาทั้งวัดอคันโมมีตระแหนกเป็นหัวหนา้าครอบครัวาา้วคันโมมีตระแหกของหัวหน้าเจ้าของตัวมันหัวหนามันมีหลายหัวหน้าก็อย่างไรใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าอะอมโนปุพังกรมมาธรรมามโนเสรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้า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 ว่องไวคร่องแคล่วมีอำนาจเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นพญาปลาในทะเลซึ่งอยู่ในทะเลก็เแต่มันเขาก็อยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ยหรือว่าเขาเรียกเรื่องปลาอานนเป็นพญาปลาปลาใหญ่แต่นกอยู่ในปลาหิมพานเอเราจะหาใครเป็นหัวหน้าเรานะนกทั้งหลายฮ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 มีแต่จะประหับประหารกันนะถ้ามีหัวหน้าขึ้นมาหรือตั้งหัวหน้าขึ้นมาทุกคนก็ต้องฟังหัวหน้ายตนะคนก็ต้องหยุดแต่ทุกวันในประเทศไทยของเรานะหัวหน้าไม่ศักดิ์สิทธิ์นะหยุดขนายไต้ก็ยังเขาก็ยังจะลากลอกคอหัวหน้าออกมาอีกไปว่าหัวหน้าไม่ศักดิ์สิทธิ์หัวหน้าไม่มีอำนาจเต็มก็เลยนี่แหละ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 นัดไปประชุมกันที่ป่าหิมพานพอเจอกันนกท่านล้วก็ลมไปพอไปนกฮูกของนกเป็นนกฮูกนกฮูกตัวใหญ่มั้งก็จะเป็นนกออล้อนะมั้งตระกูลนกฮูกพอไปก่อนแล้วก็ไปยืนยืนตัวตรองหลับตายต่างหากพราะนกฮูกมันกลางวันมันมันนอนหลับนะกลางคืนนี่ค่อยออกหากินเยยังลืมตาลืมตาโพรงขึ้นมานะแต่กลางวันน่ยหลับตา ยืนนิง่งก่อนเพื่อนมานกทั้งหลายเห็นกันถ้ายิบถ้าเป็นนกแล็กเห็นกระท้องน้องร้องเลยล่ะวท้วงเลยรละ่ละแย่ๆแย่อะไรเหมือนกันถ้าเห็นนกเนี่ยนะดูได้อันตรายนะแหละลักษณะอย่างนั้นนกหูกเลยไปยืนนกทั้งหลายก็มาพร้อมกันพอพร้อมกันนกทั้งหลายก็บอกอื้ใครจะเอาใครเป็นหัวหน้าพวกเรา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 อดูซิจะเป็นยังไงข้าพเจ้ามองดูแล้ว น, ะนกเขาน่ะมันกลางวันมื่กลับหลับตาเมื่มกลางคืนจะค่อยตาพโพลงขึ้นมาแล้วจะไปไก่เกียย์จะไปโน้มน้าวเวลาพวกเราทะเลาะกันเนี่ยไม่ใช่ว่าทะเลาะ ก, กลางคืนมาเลยทะเลาะ ก, กลางวันก็มีมันหลับตาอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่จะเอานกเขาเป็นพยาเป็นหัวหน้าอะ ต้องดูดูแล้วจะไม่มีวิสัยทัศน์อีกต่างหากจะไปไกลเกีย่ยใครแต่หลับตาอยู่ทั้งวนงันอยู่เฉื่มอยู่เลยไม่เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าน ม, มองมองดูแล้วไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะมองเหตุการณ์อะไรนกเขาพอพูดคือมานกเ้ากำ บ, บินขึ้นบนอากาศกากาก้าก้ากาอะนกกากาบินขึ้นบนอากาศ กากล้า ก, ากาไม่เห็นด้วยที่จะตั้งนกเขาเป็นหัวหน้านะจากนั้นกาก็ลงมาลงมาสัตว์ทั้งหลายเออช่กานีาพูดถูกกว่าออจริงอย่างที่กาพูดดูแล้วช้ำ ง, งมุกอยู่ทั้งวันเนี่ยมันก็ยังวาดเป็นหัวหน้าไม่ได้หรอกนะหัวหน้ามันต้องสอดสองสอดทรายดูหมูพวกเพื่อนสารถูกสุกเด็บออมันถึงจะเป็นหัวหน้าที่ดีได้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 เอากาธนาเลยนกเขาก็ขวางในใจอยู่แล้วนนะเหนือนกัอว่ากาจะเป็นหัวหน้ามันขวางอยู่ในใจจากนั้นก็กานกเขาก็พวกท่านทั้งหลายจะเอากานะเป็นหัวหน้าข้าพรเจ้าไม่เห็นด้วยนน้ก็เหมือนกับผู้แทนทุกวันนะอยู่ในสภานะเอาคนหนึ่งขึ้นมาคนหนึ่งคัดค้านเอาคนหนึ่งขึ้นมาคนหนึ่งขัดค้านเจ้าูกแล้วก็คือคนรอนมันต้องมี มีดีคนละอย่างมีเลวคนละอย่างใช่ไหมล่ะอันนี้กากันกเขาก็เหมือนกันนะกากระมองนกเขากันแบบหนึ่งเนะแต่นกเขามองกาทีเลยพวกท่านทั้งหลายจะออกกาเป็นหัวหน้าเหรอดูกสิตัวของมันก็ดําไม่มอยู่แล้วใจของมันก็ดํายิ่งกว่าขนมันอีกไงแต่ต่อหน้าเน่ยใช่แต่รับหลังน่ยเออ มันคัดขโมยเนี่ยใครจะไปยิ่งกว่ากาต่อหน้าอีกแบบหนึ่งรับหลังอีกแบบหนึ่งต่อหน้านี่นั่นแหละดีไปรับหลังอไปหาขโมยกินไข่ไข่นกไข่อะไรตกไข่อะไรกินลูกนกกินลูกเล็กลเด็กแดงของสัตว์สัตว์ท้งหลายกาเนี่ยอไปขโมยกินไข่กินลูกนกถ้ามันเป็นพญานี่ยพวกท่านทั้งหลายจะเอาลูกมาสังเวยมาเลี้ยงมัน มาให้มันกินเท่าไหร่มันจะเรียกกินเท่าไหร่พวกท่านคิดดูให้ดีกันแล้วกันนะถ้าจะเอากาเป็นพญาเนี่ยมันลักเล็กขโมยน้อยนะมันไม่ซื่อสัตย์นะเห็นไหมตัวมันก็ดําอยู่แล้วใจมันยิ่งดํากว่าใจมันยิ่งดํากว่าตัวของมันอีกพวกท่านจะเอายังไงข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยที่จะเอากาเป็นพญาเป็นหัวหน้าหนกเขาบอก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 ลงในในน้ำกินก็น ก, นกินปลาเล็กเล็กแล้วก็กินหมากหญ้ากินข้าวกินหมากญ้าตามริมคลองริมหนองไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ได้เบียดเบียนนกพวกท่านทั้งหลายเห็นด้วยไหมที่จะเอาหงเป็นพญานะจากท่า น, นกับนกทั้งหลายก็ยกมือให้ใช่เอาเห็นด้วยตั้งแต่บัดนั้นมาหงก็ได้ได้เป็นพญาหงพญาหงตั้งแต่ครั้งนั้นมา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 สาเหตุที่พระพุทธเจ้ายกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นชาดกเนี่ยนะพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่วัดปลาเชตวันสร้างศาลาใหญ่อย่างพวกเราสร้างศาลาไว้ข้างนอกเออกางคืนมากามันก็มาเกาะเออกางคืนนกเขามันตาสว่างนะีเออมันก็ไล่กัดไล่จิกตากาเนะี่ยเกาะไล่กากินเกาะกาใจาจิกกานะ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 ปัดหัวกาพอกลางตอนเย็นมากปัดหัวนกเขาขนขนนกเขาที่สาลาแต่ละวันเกือบจะไม่เว้นแต่ละวันพระสงฆ์ก็เลยบ่นเอ็นกสองตัวมันทำไมเป็นอริเป็นศัตรูกันมันทำไมจึงสังหารเบียดเบียนกันขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าได้ยินก็ได้เสด็จมาประทับก็เลยบอกว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลาย นกสองตัวนั้เป็นอริศตูกันนะตั้งแต่นูนตั้งแต่เริ่มสร้างโลกนะตั้งแต่เลือกหัวหน้านะเพราะพระสงฆ์ทั้งหลายกราบทูนพระพุทธเจ้าสมัยไหนไปเจ้าก่รพระพุทธองค์เลยยกเป็นชาดกขึ้นมาเนี่ยนี่ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะผู้ที่จะเป็นหัวหน้านะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศ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 ถ้าใครจะเป็นหัวหน้าก็ต้องเป็นผู้รอบครอบเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ตายแต่แทนหมู่พวกเพื่อนได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อต่อวงต่อคณะของตนเองได้มันจึงจะเป็นหัวหน้าได้ไม่ใช่ว่าเป็นหัวหน้าแล้วหลบหลบหลีกหลีกหลี ก, ล ก, ลกซ่อนซ่อนเวลาเขาไปหานะี่ว่าําไม่อยู่อยู่เรื่อยไม่ได้แล้วอันเป็นหัวหน้าที่ไม่ดี ถ้าผมว่านาดีแล้วก็ต้องเดือดร้อนอยังไงพี่น้องประชาชนพระสงฆ์วัดวาศาสานาสำนักงานแต่และสำนักงานมีความเดือดร้อนอะไระก็จะต้องออกมาดูไกลเกลี่ยแล้วก็ประสานแล้วก็ระ ง, งับเหตุการณ์ให้เรื่องทุกอย่างเป็นไปด้วยความ